มนจากที่ไหนกันอัธย า, าเลยรู้จักที่นี่ได้ยังไงนติดตามทางเฟซบุ๊กมาตั้งแต่ตอนเริ่มทดสอบระบบใหม่เลอ่าตั้งแต่ทดสอบถ่ายทอดสดนี่แหละอือก็เกือบปีแล้วนะอ๋ะอประมานปีห้าหกอ๋อประมาณปีเก่าอือ อันนั้นยังไม่สเนยนะอันนั้นเพียงแต่แมันทึกไว้แล้วก็เอาไปลงห้ากนี่หกศนย์ก็สี่ปีแล้วนะแต่ครบสี่ปีเดือนทษภาเนี่ยาพาพที่ว่าอยู่ในช่วงวันวิสาขบาูชาก็ไม่คิดว่าจะมีอายุยาวมาถึงสี่ปีเพราะมันไม่รู้อะไรจะเกิดขึ้นอั น, น มีตัวแปรเยอะแต่อาศัยมีทีมงานเยอะก็เลยช่วยกันอ่ช่วยกันดันมาได้ปัดกันพักปัดกันทำปึ่งมาข้างแรกแนละ้ใช่ค่ะวันนี้ก็มาต้องรู้าาทางนะค่ะแต่ผลดีอัคคีเดนต์หน่อย็เลยาวันี้บ้านอยู่ที่ไหน มาโดยโตรงเลยวันนี้ใช่ค่ะตั้ใจมาเลยค่ะเพราะว่าพอดีวันนี้วันเกิดเลยค่ะก็เลยตังใจมาทำท่นี่ค่ะเอทำบุญกี่ชนิดล่ะอะไรนะคะทำบุญกี่ชนิดบุญ า, านัแหละเนี่ยเกิดจริงๆเมื่อวานก็แค่ทำทานนะคะวันนี้ก็เลยมาทำาที่นี่บุญมีอยู่สิบชนิดด้วยกันทาได้กี่ชนิดทำทานค่ะ ศีลได้ค่ะคือหนูปฏิบัติมาปีนี้เข้าปีที่สิบล้วค่ะตั้งแต่ปีสิบเจ็ดอ่อปีนี้ปีสิบเจ็ดอ่ะปฏิบัติปฏิบัติทำอะค่ะถือศีลนะศีลแปดถือศีลแปกี่วันต่ออือคือถ้าแบบเต็มแม็กเลยก็ประมาณห้าวันค่ะก็คือสองวันก็คือทานข้าวกับครัวอะไรเงี้ยก็คือจะสัมสามมื้อยค่ะแต่ว่าปกติเราคือได้มื้อหนึ่งอาทิตย์หนึ่ง รักษาได้ห้าวันเลยไหได้ค่ะอแล้วห้าวันนี้ต้องทํางานด้วยหรือเปล่าด้วยค่ะเอทํางานแต่ว่าทําได้ค่ะทําได้นะค่ะทํางานเกี่ยวกับอะไรเอา่าเป็นโฟตโตกราฟิกอะค่ะอ่อาแต่ภาวนาไม่ได้ภนาะวนาด้วยค่ะก็คือปีนึงจะไปยี่สิบวั น, นะคะ่ะอา่า ไอ้วันที่ทึิงศีลแปดนี่ก็ถือทุกวันค่ะแต่ว่าก็คือตอัดช่วงชว่วงเช้าใช่ไหมคะ่ะช่วงเช้าก็คือจะตื่นตีสองค่ะพอดปฏิบัติจนถึประมาณตีห้าคึ่งค่ะแล้วก็สุดช่วงเย็นก็คือประมาณตั้งแต่สองทุ่มมาถึงสิบทุ่มค่ะค่ะแล้วช่วงกลางวันก็ทํางานใช่ปกปติค่ะช่วงทํางานนี่ก็จะเรียนสติไปค่ะแต่ว่าไม่ได้ววพอวันาภิษฐรนะคะก็คืออ่า เฝ้าดูลมหายใจอะคะ่ะอนปัญสติอะค่ะใช่ค่ะเฝ้าดูการเคลื่อนไหวของร<ช>่างกายก็ได้ดเวทานาดูจิตอะค่ะคือคอยควบคุมความคิดปรุงแต่ง<ช>อย่าให้คิดด้วยเบื่ออยาให้คิดเพ้อเจ้อถ้าจะคิดก็ให้คิดไปในตายรักก็ได้คิดว่าไม่เที่ยงไม่มีอะไรเที่ยงแท้แน่นอนงานที่เราทาก็ไม่เที่ยงแท้แน่นอน มีขึ้นมีลงแล้วมีมีเกิดมีดับต้องคิดถ้าจะคิดคิดแบบนี้ไม่เช่นั้นก็อย่าคิดให้เข้าดูงานที่เรากำลังทำอยู่จดจออยู่กับงานมีสติอยู่กับการทำงานค่ะคือตอนนี้หนูไปไปเริ่มปฏิบัติก่อนนะคะว่า เมืนกับว่ายังไม่ไ ม, ไม่ไม่เจอจระเขตัวเองนะคะก็อุูประมาณสักหลายครั้งเหมือกันแล้วก็ตอนหลังก็คือพอรู้ว่าแบบนาง่งเราก็เดินจงกลมอะไรด้วยเนี่ยคือไม่ชอบเดินนะคะออก็เลยนั่งอย่างเดียวค่ะก็คือปฏิบัติอยู่ตอนแรกไปแนวยุบหน่อของหนอนะคะ่ะอืแล้วก็คือมันในคําสอนมันไม่เก็ตนะคะว่าแบบเหมือนเวลาที่เรารู้สึกอะไรไงะคะ่ะมัน เขากอธิบายไม่ได้อะค่ะว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับตัวเราเนี่ยค่ะแล้วก็เขาก็ไม่ได้มีแบบสอบอารมณ์อะไรเงี้ยค่ะก็เลยไปเที่ยวแรกก็คือรู้สึกมาแต่ว่ามันก็ยังไม่ช่วยมากนะคะก็เลยลองไปอีกสองหรือสามครั้งแต่ว่าพอไปลองเราก็มันก็ยังก็รู้สึกคงไม่ใช่แนวอ่ะค่ะทีนี้หนูก็เลยย้ายค่ะก็เลยเปลี่ยนเปลี่ยนไปที่นู้นที่เขาบอกว่ายากมากสิบวันเนี่ยค่ะอืก็คือพอไปที่นี่ก็คือ ยากจริงค่ะยากมากใครไปทำอะไรก็คือเอสาววันแรกเนี่ยก็คือเขาให้ออกไปนั่งเฝ้าดูลมหายใจอะค่ะอ่นานัปัญสติอะค่ะก็คือวันที่หนึ่งวันที่สองอะไรเงี้ยค่ะมันก็จิตปรงใช่ไหมคะแต่ก็พยายามแบบเหมือนเอดึงสติมาค่ะมาอยู่กับลมหายใจนะคะเพราะเข้าวันที่สามก็เริ่มเริ่มโอเคมากขึ้นใช่ไหมคะแต่ว่า พอเวันที่สี่อะค่ะเขาก็เริ่มให้ปั ส, สนากรรมฐานน ะ, ะอืโหยทรมานมากเลยค่ะคือแบบรู้สึกว่ามันคือแค่เขาให้มานั่งปกติแค่ดูตัวเราเองทาำมันเจ็บอย่างงี้อย่างเงี้ยค่ะอืคือร่างกายของเราเนี่แบบพอถึงเวลาแล้วแบบทําไมถึงให้มาทําอะไรดีๆทําไมถึงไม่อยากมาถึงกแบบ็รู้สึกเจ็บอย่างเงี้ยค่ะออก็คือวันนั้นก็แบบรู้สึกว่าทนจะไม่ไหวก็คืออยากจะกลับบ้านค่ะอืม เขาให้นั่งเฉยๆเขาให้นั่งคือนั่งเข้าดูเราหายใจแล้วก็ดูเวทนาตัวเองไปแล้วแบบเกิดอะไรขึ้นก็คือให้เรารู้ทันเลยไม่ขยับตัวใช่ค่ะกี่ชั่วโมงเทเอ่อตอบทางสองชั่วโมงแต่ว่าในหนึ่งวันนั่งสิบองชั่วโมงค่ะหกครั้งเลยแหละก็คือก็นั่งแล้วก็พอเสร็จเนี่ยก็วันที่สี่กลับบ้านนะคะอ๋ะอแต่ก็ทนเพราะว่าคิดว่าวันนี้โอเคผ่านไปพอเข้าวันที่ห้าก็แบบ โอโ้คือก็คิดว่าถ้าเกิดวันนี้ไม่หวจริงจะกลับบ้านเนี่ยคะ่ะอืก็สุดท้ายก็คือก็นั่งมาจนประมาณช่วงบ่ายอะคะ่ะช่วงบ่ายนี่แบบทรมานเหมือนกับคือไม่เคยรู้สึกว่าทรมานอะไรข่ะแบบนี้อะคะ่ะทรมานมากคะ่ะอจนสุดท้ายก็คือได้ยินเสียงกิเลสพูดเลยเอะว่าแบบท่านนั่งอยู่ตรงนี้สักสินาทีตายแน่อะไรอ่ะอเงก็แต่แต่สุดท้ายก็คือเหมือนเหมือนแบบไม่ค่อยรู้สึกว่าเหมือนมาสู้กันนะคะ ก็คือผมว่าโอเคก็ไม่เป็นไรถ้าเกิดตายก็ยอมแหละวันนี้ก็เก็ให้ได้ละกันเลยอ่ะรู้สึกอย่างนี้นะค่ะพอแค่คิดเหมือนกับว่ายอมตายอะไรเงี้ยใช่ไหมคะมันก็หลุดเลยค่ะก็คือถึงแบบจริงๆอย่างที่พราจารย์พูดนะคะแต่ว่าหนูเพิ่งมาทราบตอนหลังนะคะเพราะว่าหนูคือไปปฏิบัติก่อนแบออ๋อเป็นแบบนี้แล้วก็พอถึงช่วงที่อาจารย์สอบอารมณ์อะเง้ยก็ถึงได้ทราบว่าอ๋อมันคือเขาเรียกวุฒิขาเขาเรียกว่าเราเราสามารถที่ มันแยกจิตออกจากกายอย่างเงี้ยเราถึงได้ทราบเนี่ยพอหลังจากนั้นไม่อยากกลับละค่ะก็อยากปฏิบัติต่อค่ะได้เจอเบคกาแล้วใจปลงได้ละใจหยุดตันหาความอยากความอยากหนีจากสภาพที่เราไม่ชอบไปพอมันไปไม่ได้ก็เลยยอมยอมก็คือเหมือนต้นยมอมะฮ ย, ยอมหยุดเย็นนะเห<ช>็นไหมพอยอมแล้วก็หยุดต่อต้านมันก็เย็นนะ เราเบรคามันก็เย็นสบายเราเอามาใช้ในชีวิตได้นะแล้วหนูก็ชอบอีกอันนึงที่ที่อย่างวันก่อนเมื่อน่าจะวันที่22เดือนที่แล้วอะค่ะที่ฟาร์สังเกตอะที่พระเจ้าหนกว่าถ้าเกิดคนอื่นแบบไม่ชอบเราก็ขอให้พิสวาดีแล้วที่เขาไม่ด่าเราอะค่ะอันนี้คือแบบหูรู้สึกว่าเป็นเรื่องแบบจริงมากใช่ได้ประโยชน์ดีได้ประโยชน์มาค่ะคือตรงมากๆอะค่ะเออ ถ้าบบสุดท้ายแล้วถ้าเกิดแบบเขาตีเราเรคิดว่าโอ้ดีแล้วว่าเขาไม่ฆ่าเราแต่ถ้าเขาฆ่าเราคือธรรมชาติละมันก็ใครๆก็ต้องเจอไงใช่ใชคือมันทําให้ใจเราเย็นเลยดีดีกว่าเมื่อก่อนมากอ่ะอ่านะธรรมะเหล่านี้มันอยู่ที่เราจะาไปใช้หรือไม่ไปใช้เราฟังเทศฟังธรรมกันทุกคนแต่แต่แตละคนก็เอาไปใช้หรือไม่ใช้คนที่ใช้เป็นก็ได้ประโยชน์ คนที่ยังใช้ไม่เป็นหรือไม่ใช้ก็ยังไม่ได้รับไปอยแล้วันนี้มีอะไรต้องการอยากจะมาถามไหมอ๋อไม่ไม่มีค่ะพอดีอยากจะมาสดบูรณ์นะคะเพราะว่าบางทีแบบรู้สึกว่าฟังจากที่บ้านกับมาฟังที่นี่รู้สึกมันต่างกันนะคะทีน่นี่คือพอก้าวลงมารู้สึกสงบมากมากกว่าที่บ้าน แล้วที่หนูไปปฏิบัติเป็นเหมือนสังคมค่ะสังคมแต่ว่าเป็นเป็นสูตรปฏิบัติอะค่ะออใช่ค่ะอก็เป็นของโกเองก้ากัะใช่ค่ะสิบวันใช่โกเองก้าก็มีแบบสิบวันแบบเจ็ดวันมีไม่มีเจ็ดออมใช่ค่ะสติปัฏฐานแปดวันค่ะก็มีสิบวันแล้วก็จะมีเป็นขอที่สิบสามสิบแล้วก็สีสิบห้าวันค่ะอแล้วเข้าต้อง ให้ผ่านแต่ละขั้นเลก่อนใช่ไหมใช่ค่ะคือเขากาหนดนะค่ะว่าถ้าเกิดไม่ได้ตรงนี้ก็คือจะไปต่อไม่ได้อะค่ะก็ได้ให้ไปอยู่แปดวันก่อนสิบวันก่รอสิบวันก่อน 10, เลยขอสิบวันก่อนค่อก็คือเขาบังคับแต่คือหนูคิดว่าดีอย่าหนึ่งที่ในกฎของเขาคือให้ปิดวาจาไม่ให้พูดแต่นล้วไม่ได้ปุไม่ได้ปรุงแต่งมากใช่คือน้อยอะค่ะแล้วก็อยู่กับตัวเองตลอดอย่างเงี้ยค่ะอืมก็ถือว่าดีมากค่ะ อลดิสไยของเราชอบคุยกันชอบคิดกันพออยู่ด้วยกันแล้วมันอดที่จะต้องคุยกันไม่ได้เพราะคุยมันก็ฟุงฟงมากค่ะสองสวันแรกนี้แบบคิดแต่เรื่องแบบเรื่องตั้งแต่สมัยก่อนที่แบบไม่รู้สึกไม่รู้ว่าตัวเองมีเรื่องหนีด้วยก็เขียนะเพราะอยู่ในจิอย่างนี้เข้าใจคําว่าสติเองใช่แล้วค่ะคือคือเก็ตขึ้นมาแล้วค่ะสตินําไปสู่เบค่ะ สติควบคุมความคิดได้จิตสงบจิตก็เป็นอุเบกขาไนดะ้หรือถ้ามาเช่นั้นก็ต้องปัญญาปัญญาก็คือยอมยอมยอมรับสภาพความเป็นจริงพราะยอมมันก็เย็นมันก็หยุดมันก็เป็นอุเบกขาไนดะ้ใจของพวกเราส่วนใหญ่มันไม่ยอมมันอยาก มันไม่ยอมอยู่กับความเป็นจริงใจเราอยู่บนบนความอยากกันอยู่ตรงนี้ก็อยากจะไปตรงนู้นพออยู่ตรงนั้นก็อยากจะไปตรงนี้มีไอ้นี่ก็อยากจะได้ไอ้น้นมีไอ้นู้นก็อยากจะได้ไอ้นั่นมันอยากไปเรื่อยๆแล้วพอไม่ได้มันก็ทุกข์แต่ถ้ามันอยอมว่าไม่ได้ก็ไม่เอามันก็จะไม่ทุกข์ ถ้าหยุดความอยากได้มันก็จะไม่ทุกข์จหยุดความอยากได้ก็ต้องมีสติมีกําลังที่จะดึงใจไม่ให้ไปทำตามความอยากให้มันอยู่กับลมหายใจอยู่กับการเดินการนั่งการกระทาอะไรต่างๆหรือไม่เชนนั้นก็อยู่กับพุโทโธพุโทโธไปก็ได้แล้วนะแต่จริต การใช้กรรมฐานนี่มันแล้วแต่ความถนัดบางคนก็ชอบบริกรรมพุทโธพุทโธบางคนก็ชอบดูการเคลื่อนไหวของร่างกายบางคนก็ชอบดูลงหายใจคิดถึงความตายหายใจเข้าไม่หายใจออกก็ตายหายใจออกแล้วไม่หายใจเข้าก็ตายบางคนก็ชอบดูอาการสาสิบสองของร่างกาย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 เนี่ยมีอยู่ในร่างกายเราทุกคนแต่มองไม่เห็นกันใช่ไหมเคยเห็นไหมเคยเห็นปอดของตัวเราไหมเคยเห็นเห็นตับไหมเห็นลำไส้ไหมเห็นโครงกระดูกไหมมีอยู่ในตัวเราทุกคนแต่เรามองคนที่ไหนมองไม่เห็นนหเห็นแต่รูปร่างหน้าตาเท่านั้นนะแล้เกิดความรักเกิดความชังขึ้นมากับรูปร่างหน้าตานะี้ ถ้าเห็นอาการทั้งสามสิบสองก็จะรู้ว่าทุกคนนี่เหมือนกันหมดไม่รู้จะไปรักไปชังอะไรพยายามหัดดูอาการสามสิบสองไปเรื่อยๆนึกถึงเวลาต้องนึกภาพขึ้นมาถ้าไม่รู้ว่าภาพเป็นยังไงก็ไปดูหนังสือที่เขาสอนนักเรียนแพทย์ก็ได้เขาจะมีภาพวาดหรือภาพจริงให้เห็น อาวัยว่าต่างๆของร่างกายเพื่อเราจะได้ไม่หลงไม่ไปหลงรักร่างกายของคนอื่นเราเหมือนกับคนที่หลงรักของชอบของขวัญที่เขาห่อใส่กล่องมาอย่างดีมีกระดาษมีโบผูกไว้แต่เปิดเข้าไปในที่ไหนได้เป็นก้อนอุจจาระ <laughs> ร่างกายของเราก็เหมือนอย่างนี้แล้ว เ, เราชอบแต่งเราชอบเอากระดาษสวยๆมาห่อให้มันเอาก็เอาเอาโบมาม า, มามัดให้มันดูแล้วสวยเห็นแล้วก็อยากจะได้ไม่เคยเปิดดูกล่องเลยว่าข้างในมีอะไรบางทีได้ของขวัญมาก็ดีใจแต่พอเปิดเข้าข้าปไหนแะกระดาษชำละ นี่คือกรรมฐานคือวิธีสอนใจให้คิดไปในแนวใหม่ใจเราคิดไปแนวของความหลงชอบมองโลกในแง่ดีเอแล้วก็มาเสียใจในภายหลังมันไม่ดีอย่างที่คิดเวลาพบใครใหม่ๆก็มองเขาในแง่ดีมองกขาว่า เ, าเขาดีอย่างนั้นดีอย่างนี้พอได้อยู่ด้วยกันเดี๋ยวก็ตีกันเออ เราต้องมองว่ามองความจริงอย่าไปมองตามความอยากความอยากจะมองให้เรามองแต่ส่วนที่ดีเวลาอยากได้อะไรเห็นมันดีไปนหมดเลยไม่เห็นส่วนที่ไม่ดีส่วนที่ไม่ดีมองไม่เห็นส่วนที่ไม่ดีคือมันไม่เที่ยงได้อะไรมาแล้วเดี๋ยวมันก็หมดไป อยากจะได้อะไรก็คิดว่าได้แล้วจะให้ความสุขเราไปตลอดแต่พอเราได้มาแล้วมันหมดไปมันหายไปความสุขที่ได้มาก็หายไปความทุกข์ก็เข้ามาแทนที่เห็นไหมคนที่ได้แฟนมาแล้วเสียแฟนไปจะไงเวลาได้แฟนมาก็ดีใจพอเสียแฟนไปก็ร้องห่มร้องไห้ แล้วพอได้อะไรมามันก็ติดเป็นนิสัยมันอยากจะได้ไปเรื่อยๆก่อนที่ได้ได้ดื่มกาแฟาก็อยากจะดื่มไปเรื่อยๆดื่มหนเดียวไม่พอใช่ไหมดื่มแล้วก็ต้องดื่มอีกดื่มเท่าไหร่ก็ไม่พอแล้วพอไม่ได้ดื่มก็หงดเหงิดําคานใจนี่คือสิ่งที่เราไม่เห็นคือความทุกข์ ที่เกิดจากการที่เราไปชอบไปอยากในสิ่งต่างๆหรือไม่ชอบในสิ่งต่างๆไม่ชอบก็เป็นความทุกข์อีกอย่างพอเราต้องดื่มของที่ไม่ชอบเราก็ไม่ก็ไม่สบายใจต้องอยู่กับสิ่งที่เราไม่ชอบเราก็ไม่สบายใจถ้าได้อยู่กับสิ่งที่ชอบเราก็ดีใจแต่พอสิ่งที่ชอบจากเราไปเราก็เสียใจในี่คือการคิด บนความเป็นจริงเราต้องคิดว่าของทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่เป็นเหมือนเดิมเสมอมันมีเปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อยๆมีเกิดมีดับมีขึ้นมีลงมีเจริญมีเสื่อมมีได้มีเสียถ้าเราคิดอย่างนี้แล้วเราก็จะไม่อยากได้เพราะว่า เพราะว่าเราจะได้ความทุกข์กลับมาเสมอทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้มันจะต้องกลายเป็นความทุกข์ไม่ช้าก็เร็วแองแต่ร่างกายของเรามันก็ต้องกลายเป็นความทุกข์ต่อไปมันแก่มันเจ็บมันตายเยมันทุกข์ไหมาถามโยมที่้องนั่งนั่งรถเข็นอยู่เนี่มันมันทุกข์มั้ยมันสุข เคยใช้มันพาเราไปไหนมาไหนได้ทำอะไรได้แต่พอถึงวันหนึ่งมันก็บอกไม่ไหวแล้วไปไม่ไหวเดินไม่ไหวก็ต้องให้คนอื่นมาเข้นเราไปแต่ถ้าเรารู้จักวิธีหาความสุขแบบที่ไม่ต้องใช้ร่างกายไม่ต้องใช้สิ่งต่างๆได้เวลาร่างกายเราชารุดเนะ เวลาสิ่งต่างๆชํารุดเราก็ยังมีความสุขได้ความสุขเกิดจากการปฏิบัติธรรมนี่แหละการปฏิบัติธรรมนี้เป็นการสร้างความสุขโดยที่ไม่ต้องใช้อะไรแม้แต่นั่งกายก็ไม่ต้องใช้นั่งกายเราตั่งเฉยๆเนียเวลาเราปฏิบัติธรรมเราต้องการหยุดการใช้น่างกายหยุดการใช้รูปเสียงกลิ่นรส เปิการใช้สิ่งต่างๆมือถือก็ไม่เปิดดูไม่ติดตามข่าวสารไม่ติดตามเหตุการณ์ต่างๆแล้วเรามาควบคุมจิตให้มันสงบให้มันนิ่งพอมันนิ่งแล้วมันก็เกิดความสุขขึ้นมารูปแบบหนึ่งเป็นความสุขที่ดีกว่าเพราะมันเบา อ, อกเบาใจมันอิ่ม อ, อกอิ่มใจ ที่ความสุขต่างๆไม่สามารถให้กับเราได้ความสุขต่างๆให้เราดีใจแต่ไม่มีความอิ่มใจอิ่มเอิบใจไม่มีความอพอใจกลับจะทำให้เกิดมีความอยากเพิ่มมากขึ้นได้อะไรมาแล้วก็อยากจะได้มากขึ้นไป ถ, ถ้าได้อย่างนี้บ้างแล้วก็อยากจะได้อย่างอื่นอีกอยากไปเรื่อยๆหิวไปเรื่อยๆ ไม่มีวันอิ่มไม่มีวันพอแล้วถ้าไม่ได้ก็เสียใจทุกใจแต่ความสุขที่เราได้จากการทาใจให้สงบนี้มันไม่มีปัญหาตามมาเลยเราจะอิ่ม อ, อกใจไปทั้งวันทั้งคืนเดินยืนนั่งนอนเบาอกเบาใจสบาย อ, อกสบายใจแล้วก็จะไม่เสียใจกับเหตุการณ์ต่าง ใครจะพูดอะไรใครจะทำอะไรก็เรื่องของเขาใครจะเป็นใครจะตายก็เรื่องของเขาเราก็ยังอิม่มอิอ่มเอิบใจสุขใจสบายใจของเราอยู่ได้ถ้าเรามีความสุขแบบนี้แล้วเวลาร่างกายเป็นอะไรเราก็จะไม่เดือดร้อนอย่างตอนนี้ถ้าต้องนั่งอยู่บนรถเข็นก็ยังอิ่มเอิบใจสุขใจได้ถ้าใจสงบใจมีความสุขแล้วมัน อยู่ในสภาพไหนก็ได้ไม่เดือดร้อนร่างกายจะแก่ร่างกายจะเจ็บร่างกายจะตายก็ไม่เป็นปัญหาอันนี้แหละเป็นสิ่งที่เราควรที่จะฝึกกันเพราะทุกคนทำได้อ ย, อยู่ที่อยากทำหรือไม่อยากทาเท่านั้นถ้าไม่อยากทำก็จะว่าทำไม่ได้แต่คนที่เขาอยากทำก็ทาได้กันทั้งนั้นดนะูภาษามก ของพระมุตตะเจ้าเนี่ยเขาอยากทํากันพอเขาอยากเขาก็ทํากันพอทําแล้วเขาก็ทําได้นี่ไม่ยากเย็นอะไรควบคุมใจสติคอยดึงใจไม่ให้คิดแค่นั้นเองพุโทโธพุทโธไปดูลมหายใจไปดูการกระทําของร่างกายไปเลือคิดก็คิดให้มันหยุดคิดคิดว่าทุกอย่างไม่เที่ยงทุกอย่างเป็นทุกข์ ทุกอย่างไม่ใช่ของเรามันก็จะหยุดคิดมันก็จะไม่ไปคิดหาสิ่งนั้นหาสิ่งนี้นี่คือสิ่งที่เราเรียกว่าบุญบุญบุญที่สูงสุดก็คือบุญที่เกิดจากการภาวนาภาวนานี่จะทําให้เราได้บุญที่สูงสุดคือความสงบความสุขที่สูงสุดคือความสงบ ไม่มีความสุขอันใดในโลกนี้ที่จะดีเท่ากับความสุขที่เกิดจากความสงบนัติสันติปรลังสุ ข, ขงังนี่คือคำพูดของพระพุทธเจ้าใครได้พบกับความสุขที่เกิดจากความสงบแล้วจะอุทานออกมาว่าสุขหนอสุขเนาอมหาเศรษฐีมีเงินร้อยล้านพันล้านก็ยังไม่เคยเจอความสุขแบบนี้พอมาบวช แล้วมาฝึกจิตทําให้จิตสงบได้ก็อดที่จะอุทานออกมาไม่ได้สุขหนอสุขหนอเอามันสุขจริงๆริงายได้รับความสุขแบบนี้แล้วจะทิ้งความสุขแบบอื่นได้ทิ้งความสุขจากลูกจากภรรยาจากสามีจากทรพย์สมบัติเข้าวของเงินทองจากตําแหน่งต่างๆ ความสุขเหล่านั้นมันไม่มันสู้ความสุขที่ได้จากความสงบไม่ได้ยังให้เรามาหาความสุขแบบนี้กันดีกว่าไม่ไม่เหนื่อยไม่ต้องใช้เงินทองไม่ต้องไปหางานหาเงินหาทองกันถ้าจะหาก็หาเพื่อเลี้ยงปากเลี้ยงท้องร่างกายยังต้องเลี้ยงมันอยู่แต่ไม่ต้องเอาเงินมาซื้อข้าวของต่างๆซื้อ สิทธิ์ต่างๆมาให้ความสุขกับเราซื้ออาหารซื้อยารักษาโรคซื้อเสื้อผ้าซื้อที่อยู่อาศัยพอมีครบแล้วก็สบายแล้วทีนี้ก็เอาเวลามาฝึกจิตกันมาอย่างหนูเนี่ยถือศีลแปอาทิตย์ละนหน้าวันได้ก็เก่งแล้ ว, ลวทำงานได้ด้วยไม่รู้สึกเดือดร้อนเวลาคนอื่นก็กินข้าวเย็นเราไม่ได้กินข้าวเย็นเออ จะอยู่ด้วยกันกับคนอื่นหรือเปล่าู้กับพี่สาวว่ะเขากกินเข้าเย็นเข้าไปแต่อยู่กันแค่สองคนนะก็ไม่มากก็จะถ้าวันเสาร์อาทิตย์กลับไปกินกัอก็จสด้าค่ะแล้วก็ไม่ม่ทาไม่ดูทีวีไม่ดูละครอะไรหรือดูบ้างรึเปล่าก็มีบ้างค่ะแต่ว่าอย่างตอนนี้ก็ดูไลฟ์ดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะหอาดันเทอ แต่จะนั่งสมาธิตีสองเลยนะใช่ค่ะตีสองตีสองสี่สิบะค่ะก็สมัยก่อนสมัยก่อนก็คือตั้งนาฬิกาปกค่ะตอนแรกแต่พอประมาณสักสองอาทิตย์นะคะก็ไม่ต้องตั้งแต่มันถึงเวลามันเตือนเองค่ะแล้ต้องเวลาไปอะค่ะอประมาณเกือบปตีสามถึงหกโมงถึงเตี้ยขึ้นสองชั่วโมงกว่าประมาณนั้นค่ะสามชั่วโมงประมาณสมชั่วโมง ได้ปฏิบัติ3ชั่วโมงตอนเช้าแล้วตอนคืนก่อนนอนอีกกี่ชั่วโมงประมาณสองทุ่มถึงสี่ทุ่มนะคะวันนังก็ได้5ชั่วโมงแล้วก็ประมาณนั้นะคะ่ะก็อเอาเท่าที่สามารถทำได้ะคะ่ะแล้วกิดอยากจะทำมากไปกว่า น, นี้มั้ยบวนละคะ่ะคือตั้งแต่เด็กๆแล้วสมัยก่อน่คือเคยคุยกับพี่บ้านอะไรเขาก็าบอกว่าปฏิบัติไปก่อนละกันเลยนะคะใช่ค่ะ ก็คือหนูคิดว่าถ้าหนูบวก็อยู่ได้ค่ะแต่ว่าตอนนี้ก็คงยากค่ะก็คิดว่าปฏิบัติไปก่อนนะคือไม่ต้องไปมีสังคมกับใครไม่ค่อยอ่ะค่ะไม่ค่อยรูอยู่คนเดียวก็ได้ใช่ไม่รู้สึกเหยียดล้อคือมีความสุขอ่ะค่ะที่อยู่คนเดียวอะค่ะแล้วก็ไม่ได้รู้สึกทุกนะคะใช่ค่ะนั่นแหละเพราะเรามีความสงบตอนนี้ก็จิตใจสงบมากอ่ ถ้าไม่สง บ, บใจยังอยากอยาแล้วเวลาอยู่คนเดียวจะรู้รสึกเหงารู้สึกว้าเวเวก่อนก่อนปฏิบัติเมื่อไหร่ก็มีแบบรู้สึกแล้วค่ะแตอนหลังก็ไม่ได้รู้สึกอล้ค่ะตั้งแต่ตั้งแต่ไปปรองเขาหน้านั้นแล้วจิตมันสงบลดเลย ม, มันลดแล้วมันก็หลุดแล้วตอนนี้ก็ไม่ได้รู้สึกอล้ค่ะถ้าปรองตายได้ปรองเจ็บได้เนี่ยมันจิตมันจะไปสู่อีกระดับนึ่ง เคยคิดว่าแบบกายชี้คนเราแบบแค่นั่งสมาธิอะค่ะดูลมหายใจดูตัวเองในกายตัวเองอะค่ะถ้ามันจะเจ็บทรมานขนาดนั้นอะคะอ่ะเราไม่เคยคิดอะค่ะใช่แต่พอเรายอมปั๊บมันก็หายมันก็หายออยอมเจ็บยอมตายแล้วก็จะสบายต่อไปเวลาเจ็บจริงเวลาตายจริงก็ไม่ทุกข์ไม่ทรมานเพรารู้ว่ามันหนีไม่ค้นเนี่ย มันเป็นเรื่องของร่างกายอไม่มีครอบครัวไม่มีค่ะอไม่มีภาระอะไรเออแล้วยังไม่อยากคิดอยากจะไปปฏิบัติให้มากขึ้นหนระือไปปีละครั้งปีละสองครั้งปีละสองครั้งก็คื อ, อพอดีตอนนี้จองเรากําลัางรออยู่ค่ะบที่โกงก้าวนะใช่เพราะว่า หนูว่าหนูตรงจะริตกับที่นี่อะคะ่ะ เ, เพราะว่าหนูชอบนั่งมากกว่าะคะ่ะ เ, เราก็คิดแว่ามันได้ผนเอาออมาอัดแบบใช้ได้ได้ดีด้วยอะคะ่ะก็เลยรู้สึกว่าพอเกิดขลแล้วหนูก็เลยคิดว่ากงนี่แหละคงเป็นจริตตรงนี้นะคะก็เลยตอนนี้ก็พอใจในระดับนี้ไปก่อนใช่ค่ะก็อพอใจกระมาณนี้ก่อ น, นะคะ่ะอย่างไม่ไม่คิดว่าอยากจะไปมากกว่านี้มีอะไรดึงไว้หรือเปล่าหรือไม่รู้ ก็ไม่รู้อะไรดื่มแล้วค่ะมีมือที่มองไม่เห็นไหมคะอก็ตอนนี้ก็ได้ประมาณนี้ก่อนก็โอเคนะคะแต่ส่วนใหญ่คนส่วนใหญ่เขาจะไม่ค่อยเข้าใจอ่ะค่ะว่าแบบไปปฏิบัติทํากันทําไมไปฟังคาเทศกันทําไมอย่างแถวบ้านออย่างเงี้ยค่ะถ้าเกิดเขาได้ยินแบบเฮ้ยไปปฏิบัติทํามสิบวันไปทําอะไรอ คือเขาหอยุน้อยอะไรเงี้ยค่ะไปทำไมแต่หนูก็กลัวถ้าเกิดหนุอายุมากแล้วหนูจะไปไม่ไหวอ่ะค่ะอืมเพราะว่าคือหนูวันวั น, ว, นวันที่หนูแบบจิตสงบมากคืวนที่ห้านนั้นนะคะหนู่คิดได้หนึ่งอย่างก็คือว่าการที่เราเนี่ยได้เกิดมาเป็นมนุษย์กันได้พบกับพุทธศาสนาค่มา<น>ะมันเป็นสิ่งที่แบบคว่ามันเป็นสิ่งที่แบบโอ้โหนี่เราคือโชคดีมากที่สุดอะคะอ่ะอ ได้ฟังทำได้ปฏิบัติทำยี่งเราทําไมหนูถึงจะทิ้งโอกาสนั้นไปอะคะเพราะว่านี่มันเป็นโอกาสที่แบบโอโ้เหมือนถูกอัตเตอร์เรื่องรางวัลที่หนึ่งแต่ไม่ไปขึ้นรางวัล น, นะน่าจะเป็นอย่างนั้นแหะคะ่ะตอน <laughs> นี้เราต้องรีบขึ้นรางวัลต้องรีบขึ้นนะานการปฏิบัติเนี่ยเรียกว่าเป็นการขึ้นรางวัลเพราะรางวัลที่เราได้รับก็คือความสงบนัตติสันติปรังสุขัง และนี้บานังปะมังสุขขังนี่คือเป็นรางวัลของพระพุทธศาสนาเรามาโชคดีได้มาถูกรางวัลที่หนึ่งของพระพุทธศาสนาแต่เราต้องไปขึ้นรางวัลกันถ้ายังไม่ขึ้นรางวัลมันก็เป็นกระดาษใ บ, ใบหนึ่งเท่านั้นเองเป็นความจริงอย่างหนึ่งที่เราได้มีโอกาสได้เป็นคือได้เป็นมนุษย์ได้พบกับพระพุทธศาสนายัางสามารถมีชีวิตอยู่ได้ ได้ฟังเทศฟังธรรมได้ปฏิบัติธรรมที่ก็อยู่ที่ว่าเราจะขึ้นรางวัลที่เท่าไหร่มีสี่รางวัลรางวัลโสดารางวัลรรสกิทาคารางวัลอนาคารางวัลอาหารหันต์ก็ขึ้นได้ตามกํากลังของการปฏิบัติของเรา ก็ยังไม่มีอะไรจนใจที่อยากจะไปไปปฏิบัติเต็มที่คงยังไม่ปิ๊งนะคะคงยังแบบไม่ิขึ้นม า, าออ่อะไรอย่้น อ, อ, อนตอนนี้ก็ได้ประมาณนี้ก่อนก็ก็อยู่ในเกณฑ์ที่รู้สึกว่าพอใจประมาณหนึงนะคะใช่ค่ะทีบท่บ้านของก็จริงๆยังเป็นหัวเขาก็แบบจริงๆเขาก็ขเขาก็คงเป็นหัวโลกละะอะไรอย่างนี้ค่ะใช่ะค่ะก็ย ไ, <ป>ไปทางอสุภะบ้างหรือยังคือหนูไม่ แต่ว่าหนูเคยดูตกอะค่ะเป็นเป็นญาติเลยอะออ ค, คือเคยดูเคยนั่งดูคือเขาเขาสวดแต่แบบเขาไม่ได้ใส่โลมะค่ะอหาวันนะแต่ยังไม่ไม่เน่าไม่เละไม่ไม่เน่าไม่หละค่ะแต่คือหนูลอใช่เขาฉีดยาค่ะหนูก็ดูหนูก็รู้สึกว่าเป็นเหมือนหุเนี่ยเป็นเหมือนตุ๊กตาใช่ค่ะแล้วก็แบบแค่หายใจเข้าไม่หายใจออกก็แบบ ตายแล้วอะไก็ก็รู้สึกตอนนั้นก็ปลงแต่ว่ามาตรงตอนหนังที่แบบเอ่อคุณอาสอค่ะเขาเก็บไว้ใช่ไหมคะอันนั้เป็นศพแห้งตั้วแต่สดยันแห้งก็อันนั้นอนนั้นปลงว่าเพราะว่าพอเขาเปิดเหมือนเปิดฝาโลงมากลิ่นก็มาก่อนใช่ไหมแล้วก็กลิ่นศพอะค่ะอแล้วก็เห็นแบบอ้อสุดท้ายเราคือตัวเองก็คงเป็นทับเป็นเท่านี้เหมือนจะเป็นดินสุดท้ายตัวเอง เรามาพิจารณาร่างกายดูคิดว่าจะทำให้หนูก้าวหน้าได้พิจารณาอาการสามสิบสองทำความรู้จักกับร่างกายทุกสัตว์ทุกส่วนว่ามันเป็นเพียงอาการมันไม่มีตัวเราอยู่ในอาการเหล่านั้นเราอยู่ที่ผมหรือเปล่าเราอยู่ที่ขนไม่อยู่ที่เล็บเวลาเราโกนผมไปเราหายไปด้วยหรือเปล่าแยกใจออกจากร่างกายด้วยการวิ วิปัสสนาด้วยการแยกดูร่างกายแต่ละชิ้นแต่ละส่วนว่ามันมีเราอยู่ในนั้นหรือเปล่ า, าเมื่อบันเป็พีงแต่ความคิดของเราเองเราคือใครทาไมเราถึงไปคิดว่าเราเป็นร่างกายอันนี้ต้องพยายามหนูยังไม่เคยนั่งสมาธิจน จ, นจิตรวมเคยแยกออกร่างกายออกจากใจิตได้หรือแต่สักแต่รู้ นั่งแล้วตกหลุมตกบออ่องเงี้ยเคยลงไปเองคือเป็นบูบลงไปเลยลอะอนํานั่งหายร่างกายหายไปเลยลคือมันไม่มันตอนนั้นมันมันเหมือนทุกอย่างหยุดอะค่ะมันรู้แต่ว่ามันสงบมากอะค่ ะ, ะสงบจนแต่คือหนูเข้าใจว่าแบบถ้าสมมุติถ้าพอเราเกิดความอยากกบมันจะปลุกมาเออย่างเงี้ยค่ะเอานั่งสมาธิให้จิตมันตกหลุมตกบ่อไปดูลมหายใจนี่ก็ได้ ดหายใจเข้าหายใจออกไปนะจิตมันมีสติต่อเ น, นื่องเดี๋ยวมันก็วุบลงไปได้แล้วนะมันก็จะแยกออกจากร่างกายชั่วคราวแล้วนะพอเรากลับมารวมกันเราก็พิจารณาร่างกายอยู่เรื่อยๆแล้วนะเราจะได้รู้ว่าตัวรู้ตัวคิดนี้กับตัวร่างกายนี้คนละตัวกันดูร่างกายเปลี่ยนสภาพไปเกิดแก่เจ็บตาย เวลาตายก็ลองเขาสอนสิบศพสิบชนิดหรือปล่าที่โกเรนกาไม่ได้สอนค่ะคือที่อาจารย์โกเรนกาแทบจะสอนอาจารย์พูดมป็นภาอังกฤษใช่ไหมคะเดคคนเข้าคอร์สแรกก็คือจะให้คือเขาจะมีภาษาไทยปลาตามะคะแต่ว่าจริงๆเราถ้าภาษาอังกฤษถือว่โอเคกว่าเพราะว่าศัพท์มันตรงอะค่ะแต่บางคาเราเข้าใจเลยเราไปดูศพสิบชนิดดแล้วนึกภาพ อสุภะสิบชนิดเนี่ยในสติปัฏฐาน4ี่ก็มีเป็นภาษาอังกฤษก็มีในเว็บไซต์เราก็มีมีสติปัฏฐานสูตรเป็นภาษาอังกฤษก็ไป อ, อ่านได้จะมีให้เราพิจารณาศพสิบชนิดด้วยกันศพตายใหม่ขึ้นเอิดพอง เ, เขียวช้ำ แล้วก็มีศพมีน้ำหนองน้ำเลือดไหลออกมาแล้วเน่าเฟะแล้วก็แยกเป็นชิ้นเป็นส่วนเป็นชิ้นเป็นอันมีแรงกลามากัดมาแทะอะไรไปเนี่จ้ากระทกเหนือโคงกระดูกไอเห็นว่าเนี่ยธรรมชาติของร่างกายก็เป็นอย่างนี้มันไม่สวยไม่งาม หรือดูร่างกายที่เป็นก็ได้แล้วก็นึกถึงาอาวัยวะต่างๆที่มีอยู่เนี่ยในตัวเราขณะเนี้ใต้ผิวหนังลงไปก็มีกระดูกกะโหลกศีรษะโครงกระดูกมีหัวใจมีปอดมีตับมีไตมีลำไส้มีอะไรต่างๆเหล่านี้ดูมันเรื่อยๆแล้วมันจะเกิดปัญญาแล้วมันจะทำให้เบื่อ ต่อไปมันก็จะไม่ไม่มีความรักร่างกายไม่มีความห่วงร่างกายไม่มีความห่วงในร่างกายถ้ามันทิ้งร่างกายแล้วมันก็ไม่รู้จะจะอยู่ทํำไมในเพศคารวาสต่างๆนี้มันยังนักสวยรักงามอยู่มันก็ยังยังติดกับร่างกายอยู่ ก็ลองพิจารณาดูไปศึกษาร่างกายไปร่างกายมีหลายอย่างต้องดูดูว่ามั น, มนเป็นธาตุสี่ดินน้ำลมไฟร่างกายนี้ถ้าไม่มีธาตุสี่มันไม่มีอาการสามสิบสองอาการสามสิบสองมันมาจากธาตุสี่ธาตุสี่ก็คือน้ำที่เราดื่มเข้าไปเครื่องดื่มต่างๆอาหารที่มีน้ำผสมกับของแข็งก็ของ ของแข็งก็เป็นพวกอของธาตุธาต ด, ดินไปลมก็หายเข้าหายหายใจเข้าหายใจออกธาตุไฟก็คือความร้อนในร่างกายคือธาตุทำให้มีอาการสามสิบสองขึ้นมาแต่เดี๋ยวมันก็ต้องแก่ต้องเจ็บแล้วก็ต้องตายพอมันตายแล้วอาการสามสิบสองก็แยกไปก็ละทานกัน น้ำก็ไหลออกจากร่างกายไปลมก็ระเหยออกไปเป็นกลิ่นนะเหม็นนะร่างกายคนตายเนะี่ยกลิ่นก็คือลมนะไฟก็หายไปจับร่างกายคนตายนี่เย็นเฉียบไม่อุ่นเหมือนร่างกายคนเป็นทิ้งไปนานร่างกายก็แห้งกรอบผุพังกลายเป็นดินไปดูอย่างนี้บ่อยๆคิดอยู่บ่อยๆพิจนารณาอยู่เรื่อย ต่อไปเวลามองใครก็จะเห็นเป็นธาตุเห็นเป็นอาการสามสิบสองเห็นโครงกระดูกคนเราถ้าไม่มีโครงกระดูกนี่จะเป็นเหมือนแมงกระพุนอหมอเราเอาแกะเอากระดูกออกมาดูแล้วดูเรื่องมันจะนั่งอยู่นี่ได้ไหมเนี่ยแมงกระพุนมันมีกระดูกวะตรงนูงญญ้ น, นเราก็จะ <laughs> จะไหลไปเหมือนน้ำ <laughs> ไหลไปไหลมา เราต้องต้อ ง, ต, องต้องพัฒนาเนะนี่ยมันจะไม่ก้าวหน้าถ้าถ้าได้สมาธิได้ความสงบแล้วทีนี้ต้องมาออกทางปัญญาพิจารณาร่างกายให้เห็นชัดเจนว่าเป็นไม่เที่ยงเกิดแก่เจ็บตายหน้าตาไม่ใช่ตัวเราของเราเป็นเพียงดินน้ำลมไฟไม่สวยไม่งามไม่น่ารักถ้าเห็นสามอย่างนี้ต่อไปก็จะไม่ ไม่ยึดไม่ติดกับร่างกายไม่ต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์เด็กต่อไปที่กลับมาเกิดเป็นมนุษย์เพราะยังหลงยังหลงรักร่างกายยังชอบร่างกายของคนอื่นยังชอบรูปเสียงกลิ่นรสเยอยังอยากดูอยากฟังอยากลิ้มรส ด, ดมกลิ่นเยู่อะต้องตัดสิ่งเหล่านี้ให้ได้เอตัดการมาตัณหาอเมื่อกี้จะถามอะไรละอ่าอะไร โอเคเดี๋ยวจะให้พอช่วงแรกก่อนนะเพราะว่ามีคนมาเดี๋ยวเขาจะได้เข้ามาถวายข้าวของต่อแล้วเรายังจะคุยกันต่ออีกช่วงที่สองเนี่ยมีถามตอบปัญหาได้ยะถาวารววาหาปุราปาริกปุเรนติสากลังเอวามวะอิตุทินังเปตานังอุปกัปติ อิชิตังปัติตังตุ้งหานคิปเมวะสมมิตาตุสัพเพปเรินตุสังกปาจันโทปนะระโสยถามณีโจติระโสยถาสัพพิติโยวิวัจจังตุสัพพารุโควินาศตุมาเตภวตวันตราโยสุขีทีคายุโกภว อภิวาธนาสีฤทธนิจังวุธาปัจจายนโนจตารโหธมาวัทานติอายุวนสุขังภาลางมีัมีคำถามเข้ามาหรอยังมีครับเอาเลยครับครับคำถามจากคุณโมนะครับลูกได้ไปปฏิบัติธรรมในสถานที่แห่งหนึ่งได้พบ ก, กับคุณแม่ชี ที่ท่านมีสภาวธรรมที่ปราสนาจะเรียนถามพระอาจารย์คุณแม่ชีตื่นตีสองอาบน้ำแต่งตัวแล้วมาปฏิบัติเดินจงกรมประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วก็มานั่งแล้วตีสี่ก็มานั่งฟังเทศคูบาอาจารย์ตีห้าก็ถอนสมาธิออกมาแล้วก็รู้สึกว่าอ่อนล้าอ่อนเพลียแล้วเบื่อหน่ายรู้สึกอยากจะพักรู้สึกอยากจะเองตัวลงนอนแต่จิตมันรวมตัววูบวูบลงไป เกิดฟ้าผ่าเปรี้ยงลงมาเปรี้ยงแรกมันสั่นไหวแต่ยังไม่หายไหวมันเปรี้ยงมาอีกรอบเซลล์ในร่างกายมันกระจัด ก, กระจายออกไปหมดไม่มีเหลือมันเห็นขาววา่ากระดูกวา่าแต่กระจายขึ้นไปบนอากาศได้ยินเสียงเหมือนเขาคั่วข้าตอกมีแสงแตกป๊บออกมาแล้วก็แสงกระจายดับดับแตกๆเห็นมันอย่างนี้ เห็นจนกระบวนการมันหมดมันเกิดอย่างนี้มันไม่มีเหลือทั้งกระดูกอะไรเซลเล็กเซลน้อยเซลในร่างกายไม่มีเหลือมันแตกกระจายไปหมดไม่มีเหลือมันเห็นอยู่บนอากาศจะว่าไปมันเหมือนพุแล้วใครจะมาจุดพุตอนตีห้ามันเป็นอย่างนั้นมันเหมือนพุแตกได้ยินเสียงแตกดับหนอเสียงแตกหนอสีดับหนอ แสงดับหนอมันเป็นอย่างนี้มันปิติทำไมมันสุขอย่างนี้มันมีแต่ความปิติไม่มีอะไรมันมีแต่ความสุขไม่มีอะไรหลังจากนั้นเป็นอยู่ต่ออีกหลายวันขอากลับเรียนถามแทนคุณแม่ชีเพื่อจะส่งธรรมไปที่ท่านครับก็ต้องดูว่ายังมีความโลภโกรธหลงอยู่เปล่ายังรักชังยังกลัวหรือเปล่ายังรักตัวกลัวตายหรือเปล่า ยังอยากได้นู่นอยากได้นี่หรือเปล่าเพราะเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นมันเกิดขึ้นในขณะที่เรานั่งเฉยๆในจิตเราซึ่งมันอาจจะเป็นเหตุการณ์ชั่วครั้งชั่วคราวเหมือนกับเราไปดูหนังเวลาดูหนังเราก็ตื่นเต้นดีใจเสียใจร้องห่มร้องไห้ไปกับหนังใช่ไพอออกมาจากโรงหนังเราก็กลับไปเหมือนคนเดิมยังไปรักไปชังยังไปเกลียดไปอะไรอยู่เหมือนเดิม ดันั้นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากการนั่งสมาธินี้มันไม่ได้เป็นตัวบ่งบอกว่ า, าว่าเราเราหมดทุกข์หรือยัง เ, เราก็ต้องไปพิสูจน์ดูอีกทีหนึง่งลองนั่งให้มันเจ็บดูแล้วยังทุกข์อยู่หรือเปล่าลองไปหาที่มันน่ากลัวน่าน่าจริงๆดูซิเป็นที่ไหนมี มีภัยมีอันตรายต่อชีวิตจริงๆแล้วดูเสว่าใจยังสงบยังเย็นยังเฉยได้หรือเปล่ า, เ, าเวลาทายเขาให้เงินมาดีใจหรือเปล่าหรือว่ามีมีโอกาสจะได้แล้วไม่ได้ก็ไปไปร้องเรียนไปขึ้นโรงขึ้นศาลหรือเปล่าในของพวกนี้ ต้สังเกตดูว่ายัางโลบหรือเปล่ายัางอยากหรือเปล่ายัางโกรธอยู่หรือเปล่าเพราเหตุการณ์ครั้งเดียวนี้มันไม่ได้หมายความว่าอกิเลส ท, ทั้งหลายมันจะตายไปหมดเพราะว่ามันยังไม่ได้เจอข้อสอบเวลาใครเขาด่าเราเราเราอยัอยงเฉยได้หรือเปล่าเวลาใครเขาไม่เคารพเราไม่นับถือเรานี่เราจะเสียใจหรือเปล่าเนี่ยมันต้องดูหลายอย่าง ไม่ใช่จะ ด, ดูแต่เฉพาะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากการนั่งสมาธิเท่านั้นเองเังั้นต้องไปทดสอบก็ เ, เรียกสอบกรรมฐานไงนกรรมฐานนี่บางทีให้คนอื่นเขาสอบเราไม่ได้เราก็ต้องห า, หาที่สอบเองอย่างที่รู้ว่าถ้าเขาไม่ชอบเราคิดได้หรือเปล่าก็ดีแล้วเขายังไม่ด่าเราถ้าเขาไม่ด่าเราดีแล้วเขายังไม่ตีเรา ถ้าเขาไม่ตีเราเอาถ้าเขาตีเราก็ดีแล้วเขายังไม่ฆ่าเร า, เาถ้าเขาฆ่าเราก็เป็นเรื่องธรรมดาเกิดแก่เจ็บตายเอถ้าใจมันนิ่งได้ตลอดทุกระดับนี้ก็ถือว่าใช้ได้ใช่อหมถามมาคําถามจากพุ่งไม้สงออกนาม น, นะครับข้อที่หนึ่ง หากเราเคยภาวนารับใช้และดูแลกิจการบางอย่างของพระครูบาอาจารย์เราแล้วเราขอคืนคําและยกเลิกจะเกิดผลกรรมใดกับเราหรือไม่คะก็ไม่เกิดเพียงแต่ไม่ได้บุญเท่านั้นเองการภาวนารับใช้ผู้อื่นก็เป็นการทําบุญเมื่อเราไม่อยากจะทําบุญเราก็ไม่ได้บุญแต่เราก็ไปเปลี่ยนไปทําที่อื่นได้เพราะคนที่เรารับใช้อาจจะกลายเป็นคนไม่ดีไปก็ได้ใช่ไหม เรารับใช้ใครแล้วเดี๋ยวเกิดท่านกลายเป็นคนไม่ดีเราก็ไม่อยากจะรับใช้คนไม่ดีเราก็อย่าไปรับใช้ท่านก็ไม่เห็นมีปัญหาเลยล้วก็ไปหาคนที่ดีรับใช้ต่อไปทําบุญที่อื่นต่อไปทําบุญกับที่นี้แล้วเห็นว่าที่นี่ไม่ได้เรื่องแล้วมันเละเทะอย่างเงี้ยเหมือนกับส่งเสริมส่งเสริมคนไม่ดีอย่างเงี้ยก็อย่าไปส่งเสริมเรวก็ไปหาคนดีแล้วก็ไปส่งเสริมเขาต่อยังไม่มีไม่มีไม่มีบาปติดตัวไป แต่ว่าไม่ได้ทำบุญกับที่นั่นทัางเองถ้าอยากจะได้บุญอยากจะทำบุญต่อก็ไปหาที่ทำไปหาที่อื่นทำต่อไปข้อที่สองการที่เราเคยกล่าวถวายปัจจัยแดบบ่ครูบาอาจารย์เพื่อใช้ในกิจที่ท่านปรารถนาไว้แต่ท่านบอกให้เก็บปัจจัยไว้ที่เราก่อนเนื่องจากท่านยังไม่ได้นำเนินตามกิจนั้นและเราได้มาได้จากมา จากพระอาจารย์รูปนั้นแล้วและท่านก็ยังคงไม่ได้ดําเนินการในกิจการเก่าวเรายังต้องกลับไปถวายปัจจัยนั้นอีกหรือไม่คะมันเกิดขึ้นอยู่ว่ามันเป็นของใครใช่ไหมถ้าเป็นของท่านก็ไปคืนท่านถ้าไม่เป็นของท่านก็ไม่ต้องไปคืนท่านเราก็ไม่รู้วความรายละเอียดว่ามันเป็นอย่างไรถ้าท่านฝากไว้ก็แสดงว่าเป็นของท่านหรือเปล่าถ้าเป็นของท่านก็ต้องไปคืนท่าน ถ้าคำว่ า, า, าฝากก็หมายถึงว่าเป็นของเขามาฝากเราใช่ไหมเมื่อเขามาฝากของเราไว้เราก็ต้องไปคืนเขานอกจากเขาไม่เอาเขาบอกไม่ต้องเอาไปไปทาอะไรได้ก็เอาไปนก็ไม่ต้องไปคืนก็ไปถามคนที่เขาฝากเลยว่าจะเอาคืนไม่เอาคืนถ้าเอาคืนก็คืนเข้าไปถ้าเขาไม่เอาคืนก็ก็ไม่ต้องคืนเข้าไปอยู่ที่ว่ามันเป็นของของไขาอันนี้ต้องไปตีความเอาเอง <c ute. S 2> ๆๆใช่ไหมเพราะไม่รู้ว่ารายลเอียดเป็นอย่างไร คำถามทางยูทูบจากคุณทวีศักดิ์ค่ะผมพยายามปฏิบัติแต่บางครั้งรู้สึกสับสนอย่างเช่นผมขับรถเราควรเอาสติพิจารณาอะไรครับก็ต้องเอาการขับรถเป็นหลักไม่ใช่ไปพุโทโธแล้วก็รถชนกันก็ไม่เบรกอย่างนี้มันไม่ได้ดังั้นเวลาขับรถนี่ต้องสติอยู่ที่การขับขับรถเป็นหลักแต่ถ้าใจมันไปคิดถึงแฟนคิดถึง เงินทองคิดถึงนี่สิง่งนี้ก็ใช้พุโทโธดึงกลับมาให้มันอยู่ที่การขับรถเข้าใจไหมการใช้พุโทโธในเพื่อดึงใจให้กลับก็ามาอยู่ในปัจจุบันอยู่ไม่ให้ไปคิดปรุงแต่งให้เพอ้อฝันพูดง่ายๆบางทีเราขับรถไปแต่เราเพอ้อฝันยิ่งถ้ามีเรื่องกับใครนี่มันจะคิดอยู่กับไอ้เรื่องนั้นแล้วบางทีขับรถไปก็ขับแบบไม่มีสติมันถึงชนกัน สมัยนี้ก็เล่นแบบนั่งดูมือถือกันไปขับรถไปมันไม่ได้มีสติอยู่กับการขับรถเพราะเกิดมีมีอะไรเหตุการณ์กระทันหันขึ้นมาก็แก้ไขไม่ทันท่วงทีเรนนี้ต่อไปเขาจะต้องออกกฎหมายห้ามใช้พวกของพวกนี้เวลาขับรถแล้วละเพราะอุบัติเหตุเวนี้เพิ่มมากขึ้นก็บอกคนก็เหมือนกันคนเดินชนเดินข้ามถนนก็ไม่ดูถนนละดูแต่มือถือนั่นเดินไปข้ามถนนไป คี่จีนเขาออกมาแล้วอาจารย์ออ้องนานแล้วอ่อไม่เชื่อกันนะเรื่องโรศัพในรถอะไนั่นแหละนั้นเวลาขับรถก็ต้องถือการขับรถเป็นสติเป็นหลับแต่ถ้าเราไปคิดเพ้อเจอคิดฟุง้งซ่านเราก็ใช้พูดโทนึงกลับมาให้มันกลับมาอยู่ที่การขับรถํำถามาจาักคุณเก่งค่ะพอดีผมพยายามเลิกบุหรี่แต่ฝันทุกครั้งว่าได้สูบบุหรี่มันคืออะไรครับ ก็ยังอยากสูงเลยความฝันก็คือความคิดแล้วนะ่ะก็ใจไหมเวลานอนหลับแล้วไม่มีสติควบคุมความมันอยากอะไรมันก็จะฝันพวกนั้นออกมาคำถามคำถามจากคุณสมศรีคะ่ะเราจะปฏิบัติธรรมให้กับพ่อแม่ที่ล่วงลับไปแล้วท่านจะได้รับบุญนี้หรือไม่คะ ไม่ได้แล้วเราททำได้ก็เพียงแต่ทำบุญทำทานแล้วอุทิศไปแล้วก็ต้องอยู่ที่ว่าท่านรอรับหรือไม่ถ้าท่านมีบุญพอของท่านเองท่านก็ไม่ต้องมารอรับบุญของเราท่านก็ไปรับผลบุญของท่านจากผู้ไม่ประสงค์ออกน้ม น, นะครับการปฏิบัติถ้าเรารู้สึกไม่เหงาเวลาอยู่คนเดียวอยากนั่งเฉยๆไม่อยากออกไปไหนวันหยุดก็จะไปภาวนารักษาศีแปดได้มากขึ้นโดยไม่รู้สึกอึดอั ทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆก่อนจนกว่าจะพร้อมออกจากงานไปถือฝิ่นแปดถาวรต้องใช้ธรรมะข้อไหนจะรักษาการปฏิบัติได้ตลอดรอดฝังครับอ้าวก็เราก็รักษาตามที่เรารักษาอยู่ในขณะนี้โดยหลักก็คือต้องมีสติคอยควบคุมใจไม่ให้มันไปอยากกับสิ่งต่างๆอยากในรูปเสียงกลิ่นรสปดทพัพระอยากไปหาเพื่อนอยากจะไปเที่ยวอยากจะไปทาอะไรต่างๆเหล่านั้น ก็ต้องพยายามนั่งสมาธิบ่อยๆให้ใจมีความสงบถ้าใจมีความสงบมีความสุขมันก็จะอยู่คนเดียวได้ก็ต้องใช้สติใช้สมาธิแล้วใช้ปัญญาพูดง่ายๆว่ามาต้องถามจากคุณชุดนันค่ะยุงชุมมากๆจึงใช้ไม้ตียุงเป็นประจำบาปไหมคะ <laughs> ถ้ายุงมันตายก็บาป <laughs> ถ้าไล่มันไปไม่เป็นไรใช่ายไล่ไปก็ได้อย่าไปอย่าทำให้มันตาย จ, จุดยากันยุงก็ได้ไม่เป็นไรพอมันได้กลิ่นมันก็หนีไปมันไม่มาข้างถาวรคุณป้อมนะครับการที่เราเลี้ยงสัตว์โดยสัตว์เลี้ยงของเราไปรบกวนเพื่อนบ้านเช่นไปทำความสกปรกหรือทำข้าวของเสียหายเป็นบุญหรือเป็นบาปคะเพราะคนเลี้ยงก็บอกว่าทาบุญ ก็บุญที่เรี้ยงหมาแต่บาทที่ปล่อยให้หมามันไปรบกวนคนอื่นเราก็ต้องไปตามเช็ดที่มันอย่างนี้ฝรั่งก็มีกฎหมายเนี่ยพาหมาเดินข้างนอกบ้านนี้เวลาหมาขี้ต้องเก็บขี้นะไม่เก็บขี้โดนปรับนะคําถามจากคุณชิลาโรสค่ะที่ว่าจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวตกลงจิตใจสมองความคิด มันก็ควบคุมกายแล้วมันเป็นสิ่งเดียวกันหรือเปล่าครับไม่หรอกสมองไม่ใช่ไม่ใช่ความไม่ใช่ใจสมองเป็นอวัยวะของร่างกายที่ใช้ในการควบคุมอวัยวะอย่างอื่นของร่างกายทีหนึง่งแต่ใจนี่เป็นตัวเอกตัวหนึ่งเป็นเอกคนหนึ่งที่คอยมาสั่งให้ร่างกายทำอะไรต่างๆสั่งให้ร่างกายเดินให้ร่างกายวิ่งให้ร่างกายนอนให้ร่างกายทาอะไรนี้ใจเป็นตัวสั่ง แต่สมองนี่ไม่ใช่เป็นไม่ใช่เป็นส่วนของใจใจไม่มีรูปไม่มีร่างสมองนี่มันเป็นมีมันเป็นส่วนหนึ่งของร่างกายเป็นอวัยวะส่วนหนึ่งถ้าเปรียบเทียบมันสมัยใหม่นี่รอดเดี๋ยวนี้เขาก็มีคอมพิวเตอร์คอยควบคุมเครื่องยนต์ใช่ไหมให้มันให้มันทํางานเมื่อก่อนก็ไม่มีเดี๋ยวนี้เขาใช้สมองคอมแล้วสมองมันก็เป็นตัวคล้ายๆคอยสั่งการให้ปอดหัวใจทํางานทําอะไรต่างๆ ถ้าเกิดสมองมันเป็นอะไรไปปั๊บมันก็ไม่สามารถที่จะสั่งให้ร่างกายต่างๆเคลื่อนไหวหทำอะไรได้ยังไม่มีคำถามนะมีแล้วเหรอข้ามาเลยคำถามจากคุณจตุรงค์ค่ะบวชเนรถ้าอยู่ไม่ถึงเจ็ดขวบผิดข้อวินัยไหมครับไม่มีข้อห้ามเพีแต่ว่าข้อแนะนำว่าไม่อยากจะให้บวชรู้สึกว่าเป็น เหตุการณ์มันเกิดในสมัยพุทธกาลเนี่ยสมัยพุทธกาลพระพุทธเจ้าเวลาตัดสัรู้แล้วตันนั้นหกปีแล้วลูกก็อายุหกขวบแล้วพอหลังจากตัดสัุ้รู้ทางในวังทราบข่าวก็มานิมนต์ให้ไปโปรดในวังท่านก็ไปพอไปที่วงังแม่เขาก็ส่งลูกมาหาพระพุทธเจ้าบอกให้มาขอมาละดกพอมาละดกพระพุทธเจ้าจับบวชใน เ, เลย นี่ต่อมาเจ้าชายาพ่อของพระพุทธเจ้าเห็นว่าแหมเห็นเด็กมาบวชอายุหกขวบนี้มันรู้สึกว่ามันทรมานเด็กมากเกินไปก็เลยขอร้องไม่อยากให้ให้บวชเด็กเล็กเกินไปแต่เราไม่ทราบว่ามีอายุเท่าไหร่ถึงจะบวชได้ไม่ได้แต่ที่วัดเรานี่เราก็แนะนําว่าควรจะบวชประมาณตอนที่อยู่มหนึ่งก็ประมาณสักสิบสองสิบสามขวบ พอที่จะช่วยตัวเองได้เพราะเป็ น, นเนรก็ต้องออกบินธบาทฉันในบาทแล้วก็ต้องฉันมือเดียวเงี้ยมันก็ค่อนข้างที่จะโหดสําหรับเด็กนถ้าเด็กเล็กกว่านั้นบางทีก็ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ก็ไม่อยากจะมาบวชเพราะจะมาเป็นภาระกับพระต้องมาเลี้ยงเด็กอีกใช่ไหมก็ต้องรับเด็กที่เพิ่งช่วยเหลือตัวเองได้ยังไม่มีกฎเกณฑ์ตายตัวว่าจะกี่ขวบไม่กี่ขวบ ก็ดูที่เด็กเป็นหลักว่าเขาช่วยตัวเขาเองได้หรือเปล่าแล้วเขาสู้ได้หรือเปล่าถ้าเขาสู้ได้ก็บวดได้ถ้าเขาสู้ไม่ได้ก็อย่าเพิ่งมารอให้เขาโตขึ้นอีกหน่อยหมดแล้วเลยถามได้ไหมีก็ถามเลยคําถามจากคุณอมพรค่ะเพื่อนๆชอบพูดว่าไปใต่บาต ท, ทําไมเพราะพระทำตัวไม่ดี ของที่เราใส่เขาเอาไปให้ลูกเมียเขากินพระบางรูปกาไปขายเลยทําให้รู้สึกไม่สบายใจค่ะก็บอกก็ผ้าทุกรูปไม่ได้ทําอย่างนั้นหรอกผ้าบางรูปก็อาจจะทําลูกที่ทําก็อย่าไปใส่สไปใส่พระไปใส่ที่ผ้าเขาไม่ได้ทําพระดีๆก็มีเรียกว่าปาทูเน่าตัวเดียวเน่าอย่าไปโยนทิ้งทั้งเข่งเขา้าใจไหมเลือกทิ้งแต่ตัวที่ไม่ดีไปตัวที่ดีเก็บไว้กินได้พระดีก็มี ที่นี่มันอยู่ในสังคมที่มีทั้งคนดีคนไม่ดีปะปนกันเราก็ต้องรู้จักแยกแ ย, กแยกะเท่านั้นเองถ้ารู้ว่ า, วาพระที่นี่ไม่ดีก็อย่าอย่ามาที่นี่เอไปหาพระที่ดีคำถามจากคุณณพลค่ะอาการหมันไส้ที่เกิดขึ้นในใจเช่นนี้คือสภคือจิตสภาวะไหนครับก็เหมือับเกลียดอาจารย์เกลียดมันอะไรหมันไส้มันดื้ อ, อ, อิจฉาริษยา เห็นเขาได้ดิบได้ดีกว่าก็ตัวเองก็ไม่ชอบใจก็หมันไส้ขึ้นมาก็คือตะแก้ยังไงล่ า, า, างะกรร็คิดว่าใครก็าทำอะไรเขาก็ได้รับสิ่งที่เขาทำาอะ่ะเขาได้ดิบได้ดีก็เป็นผลที่เกิดจากการทำความดีของเขาคําถามจะคุณเจ้าฮะนะครับถ้าพ่อแม่มีบุญมากแล้วไม่มาแล้ว ถ้าว่าถ้าว่าพ่อแม่มีบุญมากแล้วไม่มาแล้วรับบุญจากเราบุญคุณสที่เราอุทิศไปจะสูญหายไปไหนครับ อ, อ๋อไม่สูญอะ่ะก็กลับมาหาเราเหมือนเราส่งของไปทางไปเซนีอ่ะ <c oughs> ไม่มีคนรับก็ส่งเกินมาเออออจะคุณห้าหนึ่งนะครับ ก่อนการนั่งสมาธิ <c oughs> เดินจงกรมต้องอธิษฐานหรือสมาทานหรือไม่ครับก็แล้วแต่เราถ้าเราอยากจะสมาทานก็ได้อธิษฐานก็ได้อธิษฐานแปลว่าความตั้งใจเช่นตั้งใจว่าจะเดินสองชั่วโมงอย่างนี้ก็ตั้งไปก็ได้แต่ถ้าตั้งแล้วมันต้องมีสัจจะถึงจะได้ผลเ <c oughs> คยว่าอ่ะจะเดินสองชั่วโมงถ้ายังไม่ครบสองชั่วโมง <c oughs> ก็จะไม่เลิกเองมันก็ดีอย่างถ้าอธิษฐานมันทําให้เราบังคับให้เราทํา แต่ถ้าเราไม่อธิษฐานบางทีเราเดินไปสักพักมันเมื่อยไม่เอาละเลิกนี่ก็ได้แต่เราก็เลิกได้ถ้าเราไม่ได้อธิษฐานเพราะเราไม่ได้ตั้งตั้งสัจจะไว้แต่ถ้าเราตั้งสัจจะแล้วมันก็อย่าไปอย่าไปถอนมันจะทำให้เราเป็นคนไม่มีสัจจะต่อไปเราจ ะ, จะเราจะทำอะไรไม่สำเร็จเหมือนพระพุทธเจ้าตอนที่นั่งใต้โคนต้นโพท่านก็อธิษฐานว่าจะนั่งตรงนี้ไปจนกว่าจะตัดสรู้ ถ้ายังไม่ตัดสัรู้ถึงแม่เลือดจะแห้งไปในเลือดในร่างกายจะเหือดแห้งไปก็จะปล่อยให้มันแห้งไปแต่จะไม่ยอมลุกจากที่นั่งนี้ไปโดยเด็ดขาดจะลุกก็ต่อเมื่อเราได้ตัดสัรู้ได้พบสัจจะทำความจริงที่เราต้องการแล้วอันนี้ก็จะทําให้พระพุทธเจ้าลุกไม่ได้ลุกก็ต่อเมื่อได้ตัดสัรู้ได้พบอริยสัจสี่ได้รู้เหตุของทุกข์ว่าเกิดจากอะไรรู้เหตุจําการดับทุกข์เกิดจากอะไร พอได้แล้วก็สบายแล้วหลุดพ้นจากความทุกข์ทีนี้ก็ลุกได้แล้วคําถามจากคุณทวีศักดิ์ค่ะผมเริ่มการนั่งสมาธิมาพอสมควรควรจะต้องดูอะไรเป็นแนวทางที่ถูกต้องครับก็ดูสงบแล้วไม่สงบเลยการนั่งสมาธิเราต้องการให้จิตรวมเป็นหนึ่งให้มันตกหุมตกบอ่อให้มันยังไม่ตกหุมตกบอ่อก็พยายามฝึกสติไปเรื่อยๆก่อนพุโทโธพุโทโธไปเรื่อยๆ เรือควบคุมใจให้อยู่กับปัจจุบันอย่าให้ไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วเวลานั่งก็พุทโธไปแล้วดูลมหายใจไปจนกว่ามันจะตกหลุมตกบอก่อถ้ายังไม่ตกหลุมตกบอก่อก็ยังแสดงว่ายังไม่ผ่านขั้นนี้ไปก็ยังยังไม่ต้องไปทําขั้นอื่นให้เสียเวลาเปล่าๆทาไปก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรจะคุณแพนด้านะครับการนั่งสมาธิท่านั่งมีกี่แบบและแต่ละแบบมีความแตกต่างกันอย่างไรครับ ท่านั่งเขามีท่าเดียวนั่งขัดสมาธิขวาทับซ้ายขาขวาทับขาซ้ายมือขาวาทับมือซ้า ย, ยวางไว้บนหน้าตักแล้วตั้งตัวให้ตรงแล้วก็หลับตาแล้วก็ดูลมหายใจไปหรือพุโทโธไปหมดแล้วครับอาจารย์หมดแล้วนะโอเคเ อ, อ, อันนั้นเป็นของมหายานเนอะ ทางก็มีสองท่าอย่างนั้นแต่ทางทางเทรวาสเหล่านี้เราจะนั่งท่าแบบสมาธิขัดสมาธิขวาขาขวาทับขวาซ้ายแต่ของมายานก็จะก็เรียกอะไรขัดเพชรก็ไขยกันเท้าเท้าขวาไข่เท้าซ้ายก็ได้เหมือนกันถ้านั่ง นั่งแบบนี้ไม่ได้นั่งบนเก้าอี้ก็ได้อย่างโยมผู้หญิงเนี่ยที่ไม่สบายนั่งอยู่บนอล้อรถเข็นนี่ก็นั่งอยู่รถเข็นก็นั่งสมาธิได้นั่งหลับตาควบคุมใจไม่ให้คิดเท่า น, นั้นเองถ้าใจไม่คิดแล้วก็จะสบายใจถ้าคิดแล้วมันก็ทุกข์พราะคิดแล้วมันก็อยากจะลุกอยากจะทําเองอยากจะทําอะไรเองพอไม่ได้ทําอะไรเองมันก็เลยเครียดขึ้นมา แต่ถ้าเราไม่ไปคิดเราพูดโธรพูดโธรไปรอให้คนอื่นเขาพาเราไปไหนก็ไป future, เขาอยากจะพาเราไปก็ไปไม่ไปเราก็พูดโทรพูดโทรของเราไปเราก็จะไม่ทุกข์ <itos. S 2> ความทุกข์มันเกิดจากความอยากของเรา<ะ>อยากไปนู่นอยากทํานี่ด้วยตัวเองแต่ทำไม่ได้ต้องรอให้คนอื่นเ็าทาให้เรา <Yeah. S 1> แต่ถ้าเราทําใจให้สงบได้เราอยู่ที่ไหนก็ได้นั่งนั่งที่ไหนก็ได้พย <Yeah. S 1> ายามทาใจให้สงบเราจะสบายจะไม่ทุกข์